ทีนี้กลับมาใหม่ก็คือตัวเราเนี่ยทั้งท็อกเนี่ยตัวเรานี่เลยแหละตัวเราทั้งตัวเนี่ยอัตตานี่นะนั่งอยู่เนี่ยเห็นมันรู้ได้นี่เนาะรู้ได้ด้วยใจเลยเนาะอ่ารู้ด้วยใจที่รู้ด้วยใจที่แบบเออเขาเรียกว่าหลเข้าใจ้ว่ารู้ด้วยใจที่สงบก็ได้แล้วก็รู้อยู่เห็นอยู่ตัวเราในปัจจุบันเนี่ยนั่งอยู่ในสกริยาอาการแบบหน่อยก็ก็เห็นอยู่นะตัวเราพูดอยู่ ตัวเราหยุดพูดก็รู้อยู่อ่าเนี่ยเงียบอยู่ตัวเราเงียบอยู่ก็รู้อยู่ก็รู้อยู่อย่างเนี้ยพอรู้อยู่อย่างเนี้ยจับทางให้ได้เลยว่าการที่รู้อยู่อย่างเนี้ยในปัจจุบันแบบเนี้ยนี่แหละคือผลทางที่มันสงบแล้วเพราะว่ามันหยุดดิ้นที่จะต้องไปรู้อะไรที่มากกว่านี้มันไม่มีเอาเป็นว่าอ๋อรู้แบบนี้นี่รู้แบบนี้รู้แล้วก็ไม่ยึดถือเนี่ยรู้แล้วก็แค่รู้เนี่ยโอ้มันสงบสงบ จติดจดจอตรงนี้ไม่ต้องเอาอาดีตอนาคตมาเป็นเครื่องให้หลงไปพูดไปคิดอีกให้รู้อยู่อย่างนี้อดีตที่มันล่วงแล้วมันแก้ไขไม่ได้นะเคยรู้เคยหลงแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันนี่รู้อย่างนี้รู้<ม>อยู่รู้อยู่เห็นไหมครัรู้ <ปะ S 1> ทั้ง<ด>ตัวไม่ได้เพ่งไม่ได้จ้องอะไรเลยรู้ทั้งตั ว, ตวแล้วก็สิ่งที่สําคัญเนี่ยให้เห็นเลยว่าที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยจริงๆมันเป็นสังขารปรุงแต่ง เกิดมาชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปนะดับหมดไม่เหลือสิ่งนี้แหละมันจึงสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะถ้ายึดมันก็เป็นทุกข์แต่ถ้าไม่มีผู้ยึดใครจะทุกข์ละ่ะก็มีแต่สังขารที่มันเป็นทุกข์ด้วยตัวมันเองคือมันแก่มันเจ็บตายไปแต่ไม่มีผู้ทุกข์ด้วยนี่ถ้าชัดเจนอย่างนี้อย่างนี้จะเลิญให้มากอย่างนี้จะอยู่ที่ไหนจะนั่งที่ไหนก็ พิจารณาเรื่องนี้รู้อยู่เห็นอยู่นะแม้กระทั่งขณะที่ทํางานก็เห็นอยู่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันทำไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเดิมนี่แหละไอ้ตัวไอที่เรียกว่าตัวเราเนี่เนาะมันก็มีการทําทําอะไรเราก็มันทํางานไงแต่มันไม่ใช่เราทํำไงมันมีแต่ไอ้ตัวนี้มันทําแล้วเวลามันเลิกทําก็ไม่ใช่เราเลิกทําแต่ไอ้ตัวนี้แหละมันเลิกทํำทุวคราวแล้วมันก็มันก็เดินไปมันก็เคลื่อนไป แล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมก็จะเห็นเลยว่ามันมีแต่ไอ้ตัวเนี้ยที่มันเคลื่อนได้มันทํางานได้แต่มันไม่ใช่ตัวเราย้ําเลยที่ไม่ใช่ตัวเราเพราะว่ามันเป็นสังขารอืมมันเป็นสังขารมีการเคลื่อนไหวสังขารคือสิ่งที่อยู่ไม่นิ่งสังขารคือสิ่งที่อยู่ไม่นิ่งมีการขยับมีการเคลื่อนไหวนะเพราะนั้นเนี่ยไอ้กายเนี่ยมันก็เคลื่อนไหวไอ้ความคิดความรู้สึกเออมันก็คิดมันก็นึกคิดไปต่างๆนะเขาเรียกว่าเคลื่อนไหวเหมือนกัน เพราะงั้นเห็นการเคลื่อนไหวทั้งกายทั้งจิตแต่ไม่มีผู้ยึดถือสิ่งที่เคลื่อนไหวนี้ก็ให้มันเคลื่อนไหวไปเอเคลื่อนไหวเพราะมันต้องเคลื่อนไหวอยู่แล้วมันเป็นหลังขานที่ไม่แน่ไม่นอนเนาะเอสมก็เทียนจึงบอกว่าให้เห็นให้เห็นกายที่เคลื่อนไหวหเห็นใจนึกคิดใจนึกคิดก็คือสิ่งเคลื่อนไหวนั่นแหละอารมณ์ต่างๆที่มีสุขบ้างโกรธบ้างไอ้นี้ก็จะเรียกว่ามันเป็นเคลื่อนไหวก็ได้เพราะมันมีการปรากฏแล้วก็มีการ ย, กยุกยิกยุกยิกขยับขยั บ, ยบเนาะ อ, อให้รู้แต่สิ่งเคลื่อนไหวแล้วก็ให้รู้ด้วยปัญญาว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นมันเป็นสังขารเนาะอย่าได้หลงไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตน ต, ตรงเนี้ยพัฒ น, นาให้มากโอผมฟังเพราะว่าผมฟังสายหลงพุทธเทียนแล้วก็หลังสุดนี้ผมมาเจอพระอาจารย์นะครับผมเคยฟังอาจารย์คำพลบอกว่าถามหลวงความเียนว่าต้องทำจะลุนได้เราต้องทําตัวดูให้เด่นใช่ไหมครับอาจารย์ผมเคยผมอยากขอพระอาจารย์ ไม่ไม่ตาว่าอธิบายว่ามันมันจะเป็นลักษณะครบไอ้คาว่าตัวดูให้เด่นอย่างเงี้ยครับนี่แหละที่หลวงพ่อตอกย้ําอยู่<อ>ก่อนที่โยมจะถามนี่แหละบอกว่ารู้อยู่<อ>เห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่แต่ไม่ใช่เพ่งนะแบบแบบเหมือนกับให้มันรู้<อ>ด้วยใจไงเพราะว่าการรู้ตัวเราเนี่ยมันไม่ได้ใช้ตาดูเนาะ<อ>มันรู้ด้วยใจไงพอรู้ด้วยใจเนี่ยน้ําหนักมันไม่มีหรอกมันน้ําหนักมันไม่มีแต่ถ้าเอาตัวเราไปรู้เนี่ยมันจะมีน้ําหนักตรงเนี้ยต้องลองไปศึกษาดูว่า เออมันรู้ด้วยใจหรือมันรู้ด้วยเพราะตัวเราไปรู้มันก็จะรู้ได้อย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างมาเนี่ยเอาใหม่เนี่ยตอนเนี้ยนั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่เนี่ยมันก็รู้ได้ด้วยใจจริงๆอยู่แล้วแหละว่าออืใช่ครับลองขยับดูขยับโยกเยกตัวเนี่ยมันไม่ได้ใช้ตามองเนาะมันรู้ด้วยใจเลยแบบคือเหมือนกับว่ามันมีแต่สิ่งเคลื่อนไหวแต่ตัวผู้รู้ไม่มีอะว่าเป็นตัวผู้รู้ที่เป็นตัวตนไม่มีเออมันก็มีแต่การเคลื่อนไหวมีแต่การเคลื่อนไหว เนี่ยรวมนั่งโยกตัวไปด้วยเนี่ยเห็นไหมมันมีแต่การเคลื่อนไหวอะแต่ผู้รู้ไม่ปรากฏอะไม่รู้ผู้รู้มันไม่มีตัวตนนี่อ๋อ่าเนี่ยรู้อยู่ยใช่ครับแต่พอ่พอเขาเหมือนเหมือนว่าเหมือนว่าพระอาจารย์ทําให้ผมเห็นมาอีกส u b j e นะครับเพราะเมื่อก่อนผมก็เห็นแค่ว่าอยู่ๆจนปฏิบัติคือมันสับสนนะพระอาจารย์ก่อนที่ผมจะมาเจอพระอาจารย์มันก็เลยหมายว่ามันต้องมาปรับใหม่หมดเลยครับที่ทุกที่มาเมื่อก่อนน่ะคือว่าพอมาเจอพระอาจารย์เมื่อก่อนผม ทำปฏิบัติเองอะไรก็เห็นว่าอ๋ออยู่กับกายผมก็เห็นว่ามันชิดเองแต่พอมาเห็นอาจารย์ว่าไม่ว่ากายไม่ว่าใจเราก็เห็นว่ามันเป็นมันเนียครับมันก็เหมือนว่าก้าวมาอีกมาอีกมันเหมือนมาอีกขั้นหนึ่งแล้วครับว่าอ๋อไอ้ที่เราว่ามันก็ไม่ใช่เราทางนั้นเลยอครับอาจารย์ครับผมก็ครับเลยว่าอ๋อผมจะค่อยๆลองลองฝึกไปก่อนนะครับอาจารย์ใช่ใเนี่ยนะครับจะจําทางได้ดีละหน่อยทีละหน่อยแล้วมันจะต่อยอดไปเรื่อยนะเออครับ ตดต่อยอแล้วก็ทุกอย่างก็คือนี่แหละทิ้งหมดแหละไอ้ที่เข้าใจเข้าเจอก็มีแต่ความเข<ช>้าใจเนาะใช่ใช่ทุกอย่างมันเป็นโอ้ยมันมีแต่เรียกว่ามันมีแต่ไอ้ไนั่นแหละไอ้ที่ถูกรู้อ่ะเนาะแต่ผู้รู้ไม่ปรากฏตัวเนาะเออมันมีแต่สิ่งถูกรู้เนี่ยลองบางทีนะใช้มองว่าเออวะมันมีแต่สิ่งถูกรู้แต่ผู้รู้ไม่มีนี่วะผู้รู้ไม่มีหมายความว่าผู้รู้ที่เป็นตัวตนไม่มีลองยมมองอย่างนี้นะ่สมมตินะครับก็ขยายความคือเช่นอย่างนั้เอาเมื่อกี้ นั่งโยกตัวนะเนี่ยถ้าทุกคนนั่งลองลองนั่งโยกตัวดูเนาะก็จะรู้เลยว่าไอ้ตัวนี้มันเคลื่อนไหวนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้มองด้วยตาอาจจะปิดตาก็ได้หรือไม่ต้องใช้ตามองแต่มันรู้เลยว่าไอ้นี้มีแต่การเคลื่อนไหวแต่ผู้รู้ไม่ปากฏดนะทีนี้บางคนบอกว่าก็เราเป็นคนรู้สมมตินะหลวงพ่อก็บอกว่าก็ให้รู้ตัวเราสิไอ้ตัวเราที่โยมบอกว่าไอ้ตัวเราเป็นคนรู้เนี่ย เพราะนั้นพอกลับมารู้ไอตัวเราที่เป็นคนรู้ปั๊บปรากฏว่าไอตัวนั้นมันก็เป็นสิ่งถูกรู้อยู่ดี <UCLA> อ่ะไอตัวที่บอกว่าเราเป็นคนรู้และพอมาดูดีๆโหถ้าจับถ้าจับได้ว่า <im it> ตัวเราเป็นคนรู้ก็มันก็เป็นสิ่งถูกรู้ <im it> ก็แสดงว่ายังมีรู้อีกรู้หนึ่งที่มารู้ตัวเราอยู่ดีะ <im it> <im it> พอเป็นอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจเลยว่าการที่นั่งไหวๆหวโยกตัวอย่างเงี้ยมันมีแต่การไหวๆแต่ผู้รู้มันไม่มีอดีไม่มีตัวตน ไม่ไม่เป็นเราด้วยไม่มีเราไงตรงนี้ยหลวงพ่ออยากจะสนทนามากเลยว่าใครยังติดตรงนี้ยอยากให้คุยคุยคุยคยจนกระทั่งแบบให้มันเข้าใจไปเลยอ่ะผม <c oughs> ที่พระอาจารย์พูดเดี๋ยวผมตอนที่คุยกับพระอาจารย์ถ้ามันไม่หลงนะครับมันก็จะเห็นเป็นว่าอ๋อมันเข้าใจนะอ๋อแต่มันก็อ๋อเข้าใจเหรออะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบเลยว่าครับเลยก็จะเห็นแต่มันมั น, ม, นมันไม่ได้แบบว่าไอ้นี่เขาเข้าใจเราคงคิดหรือว่า เราคงจะอยากให้มันขาดไปเลยอย่างเงี้ยอาจารย์ในความเข้าใจในความคาดหวังแต่ว่าอาจารย์บอกเลยว่าอมนต์มันไม่มีอะไรเลยความคาดหวังก็ไม่ใช่ของเราครับผมเคยถามอาจารย์เลยบอกเออเออเออยมจะไปฝึก น, นะครับอาจารย์ครับเออเทีนี้อย่างอย่างหลวงพ่อให้ให้เห็นอีกมุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งคือครับเออที่หลวงพ่อใช้เพราะว่ามันมันได้ผลสาหรับหลวงพ่อมาแล้วก็เลยให้คนอื่นลองทําดู เอาอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นเหตุการณ์จริงก็คือว่ามันก็มีตัวโยมเนาะตัวใครตัวมันกันแล้วกันแล้วก็มีตัวหลวงพ่อเห็นไหมตอนเนี้ที่พอหลวงพ่อพูดอย่างนี้ยมันเห็นได้เลยว่ามันมีสองตัวมีหลวงพ่อตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวเราตัวหนึ่งอันนี้เห็นไหมมันไม่ได้เห็นด้วยตาแต่มันก็เรียกว่ามันปรุงแต่งขึ้นมาทําให้เกิดเป็นภาพเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายขึ้นมาแล้วก็รับรู้ได้นะรับรู้ได้ว่า อ, อ๋อ มันมีตัวหลวงพ่อและก็มีตัวเรานะอ่ะทีนี้พอเห็นสองตัวแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะมีการเห็นระยะห่างได้ด้วยนะระยะห่างอ่ะแต่ว่าไม่รู้ห่างเท่าไหร่บอกไม่ได้แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ติดกันอ่ะหลวงตัวหลวงพ่อกับตัวโยมเห็นไหมมันไม่ได้อยู่ติดกันแต่ส <stretched S 2> ิ่งที่ห <ulator. S 2> ลวงพ่อพูดแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่ารับรู้ได้จริงถูกปะอ่าพอรับรู้ได้จริงเสร็จแล้วก็มาดูกันที่ว่าเออตัวหลวงพ่อก็อเป็นสิ่งถูกรู้ไอ้ตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ เออทีนี้แหละแล้วในช่องว่างอ่ะระหว่างตัวหลวงพ่อกับตัวโยมมันมีอะไรอ่ะเอาเทาที่สัมผัสรู้ถ้ามาพูดเป็นภาษาเราก็เรียกว่าช่องว่างเนาะจะเรียกว่าอากาศจะเรียกว่าความว่างก็ได้อ่าแต่มันมีอีกสิ่งอ่ะที่มารู้ความว่างได้อยมแล้วมารู้ตัวเราก็ได้รู้ตัวหลวงพ่อก็ได้นะ่ะ ไ, ไอ้สิ่งนั้นไอ้สิ่งนั้นแหละคือมันมันพ้นไปจากตัวเราไม่รู้มันอยู่ไหนตรงเนี้ยเขาเรียกว่ามันรู้แต่มันไม่มีตัวผู้รู้ อืมครับเคลียร์ไหมตรงนี้ครับอันนี้อันนี้เคลียร์สักสักฟ้าอาจารย์ว่านนมีผมผมอพ่อจะเห็นนะครับ จะจะลองไปสังเกตและก็ทํามันบ่อยๆครับอาจารย์ก็ผมก็ลองเหมือนอาจารย์สอนนะวันนั้นนะผมฟังอาจารย์ผมฟังอาจารย์เยอะมากครับทีอาจารย์ว่าเราลองลองดูบอกว่าเราไม่เอาละเราไม่ปฏิบัติละแล้วมันจะรู้เองไหมที่อาจารย์บอกว่าเพราะปกติผมจดจอ่อครับอาจารย์เพราะว่าผมก็อยาก พ, นพก้นทุกครับอาจารย์ชีวิตเนี่ยผมื่อว่าไอ้สิ่งนี้คือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตผมแล้วครับการพ้นทุกเนี่ยผมไม่ได้สนใจเรื่องว่าอทรัพย์สินเลงก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นพอพอคิดที่ว่า เลิกเลิเลไม่ปฏิบัติแล้วพอพอที่อาจารย์มีช่วงหนึ่งอาจารย์บอกครั้งสองสามอาทิตย์ผมไปลองดูเดี๋ยวนี้อาจารย์บอกอ๋อพอเราจะเลิกมันก็กลับมารู้ตัวเองว่าอ๋อมันนั่งนะมันทํานะมันไม่อยากจะเลิกนีะครับอ๋อไปแลอ๋อมันกับเรานี่ก็มันก็อ๋อก็เริ่มเห็นนี่เหมือนที่อาจารย์บอกช่วงนั้นนะครับก็ลองทํำมาจนเนี่ยอาจารย์รู้ๆหลงๆงันเชื่ออธิบายอาจารย์ครับหลงก็รู้ไม่หลงก็รู้นะครับเออเชิญครับดูตะพีตะพีไปครับก็วครับ เป็นเรื่นี้คงเป็นเป็นเป็นเครื่องมือให้ผมอันนี้ไปก่อนนะครับอาจารย์พึ้งพาไปก่อนนะครับก่อนที่มันจะพัฒนาไปกันนี้เองงครับอาจารย์ครับทีนี้อ่ทีนี้กลับกลับมาเรื่องเรื่องเมื่อกี้ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างเนะาะโยมทวนกันอีกทีครับมีตัวหลวงพอ่อโยงก็ไม่เคยเจอหรอกว่าตัวหลวงพ่ออยู่ไหนบางคนไม่เคยเห็นหน้าด้วยนะใช่แต่แต่มันสร้างภาพไปแล้วไงมันเป็นเครื่องหมายไปแล้วว่าตัวหลวงพ่อคือ ไม่รู้แหละมันมีอย่างนั้นอย่างนั้นเห็นไหมมันมันมั่วมันแต่งเขาแล้วมันปรุงแต่งเนาะใช่ใช่แล้วก็หลวงพ่อก็ใจเชี่ยเห็นว่าตัวหลวงพ่อกับตัวโยมเห็นไหมล่ะมันอยู่คนละที่อันครับพออยู่คนละที่เสร็จแล้วเนี่ยสมมติว่าโยมใจลอยถ้าใจลอยก็คือได้แต่คิดถึงหลวงพ่อแต่ไม่รู้ตัวคือมันไม่กลับมารู้ตัวเองไงเนาะคิดถึงแต่หลวงพ่อทรงจิตมาหาหลวงพ่อแต่ลืมตัวไปอย่างนี้เขาเรียกว่าลืมตัวแต่ถ้ารู้ตัวแต่ถ้ารู้ตัว อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะอ่ะต่อต่อครับอาจารย์ครับเมื่อกี้ถึงไหนอะเมื่อกี้โอขอแทรกนิดเดีครับอาจารย์ไอ้ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้อวันนั้นที่ผมฟังอาจารย์ด้วยความเข้าใจที่ผมดูเพราะผมไม่เค้ผมเคยได้ยินคําว่าน้ำลูกครับอาจารย์ที่ว่ากันว่าไอ้น้ำเนี่ยมันจะสร้างลูกใช่ไหมครับอาจารย์แล้วทำให้เราเห็นเมี่ยผมเห็นเพราะว่าอ๋อคำว่าน้ำมันสร้างลูกมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วแบบว่าผมเห็นทุกคาวว่าอ๋อนี่เหมือนที่อาจารย์พูดนะครับผมไม่เคยเห็นท่าอาจารย์ แตโอเคอาจารย์ youtube มันก็จินตนาการนะครับอาจารย์พูดอยู่มันก็เห็นแล้วมันก็อ๋อมันเข้าไปความเข้าใจเป็นสเต็ปสเต็ปเลยครับอาจารย์เป็นความรู้แบบโอ้รู้อย่างมากแต่ว่ามันก็ไม่หลุดนะครับจนมารู้ว่ามันรู้นะครับมันถึงหลุดครับเออใช่ใช่ครับเพราะงั้นมันมีมันมีอ่อเพราะงั้นหลวงพ่อกกลับมาเรื่องของรูปนามกับนามรูปนิดหนึงเนาะคือรูปนามเนี่ยมันเป็นเรื่องของรูปที่ถูกรู้ด้วยทางทางหู ทางตาทางจมกูกทางลิ้นทางกายอ่าอันเนี้ยไอ้สิ่งที่ถูกรู้ทางหูทางตาจมกูกลิ้นกายเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นรูปที่เห็นผ่านทางอายตนะก็คือหูตาจมกูกลิ้นกายโอเดี๋ยวเอาใหม่รูปรูปนะที่เกิดการรับรู้ทางทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายเช่นอ่ารูปรสกลิ่นเสียงการกระทบสัมผัสเย็นรอ้อนรอนแข็งเนี่ย พวกนี้ยก็จัดเป็นรูปแต่มันเป็นรูปเพราะการรับรู้ทางอายตนะคือหูตาจมูกลิ้นกายเนาะแต่ถ้ารับรู้ทางใจนะที่มันเป็นอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยมันไม่ได้ผ่านทางหูตาจมูกแต่ว่าจิตใจมันสร้างภาพขึ้นมาเป็นเป็นเครื่องหมายเป็นสั ญ, ญลักษณ์ขึ้นมาอันเนี้ยมันเป็นเป็นรูปที่เกิดจากนามเขาเรียกว่านามรูป โอเคเนาะอ่าครับคอ่าเขาเรียกว่านามรูปแต่ไอสิ่งพวกโน้นอ่ะเขาเรียกว่าเป็นรูปแล้วก็ถ้าเป็นนามก็คือจิตเนี่ยที่มันไปไปไปรับเช่นจิตก็คือวิญญาณที่เกิดทางหูตาจมูกลิ้นกายเนี่ยจะอธิบายตรงนี้ต้องใช้เวลานิดนึ่งเท่านั้นเนาะยอมเสียเวลานิดหนึ่งอ่ะยกตัวอย่างเรื่องตาก็ได้เรื่องตาเรื่องตาอย่างเดียวตาเมื่อกระทบกับรูปเช่นพวกสีพวกแสงพอกระทบกันปั๊บมันเกิดการเห็นการเห็นเนี่ย การเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณทางตาไอ้วิญญาณทางตาตรงเนี้ยเขาเรียกว่านามนามการรับรู้อนะรับรู้ทางตาเขาเรียกว่าเป็นนามอ่าส่วนสีแสงไอ้สีแสงที่ตาเห็นเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่ารูปเออมันก็เลยเป็นรูปแล้วก็เป็นนามนามคือวิญญาณวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เหมือนกันพอไปกระทบกับสิ่งภายนอกเสียงกลิ่นรสโพธพภะ อะไรเนี้ยมันก็เกิดวิญญาณขึ้นมาวิญญาณอันเนี้ยเขาเรียกว่านามส่วนสิ่งที่ถูกรู้มันก็เป็นรปูปอันนี้โอเคเข้าใจเรื่องรูปนามแต่นามมารูปเนี่ยคือไม่เกี่ยวกับกับไม่เกี่ยวกับหูไม่เกี่ยวกับตาไม่เกี่ยวกับจมูกไม่เกี่ยวกับลิ้นไม่เกี่ยวกับเอ้ยไม่ใ ช, ไใช่ไม่เกี่ยวกับหูตาจมกูกลิ้นกายแต่มันเป็นเรื่องของทางใจนู่นทางใจก็คือว่าอะไรที่ผุดขึ้นในใจอ่ะ แล้วมันก็มีเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตขึ้นอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าเป็นรูปที่เกิดจากนามเพราะมันเป็นฝ่ายนามมาทาหมดเนาะมันปรุงแต่งขึ้นมามันสร้างรูปขึ้นมาเช่นเห็นผีอเงี้ยปิดตาผีแล้วแต่ก็ผียังปรากฏอยู่อ่าเมื่อกี้อธิบายถึงถึงนามรูปนามรูปนามก็เข้าใจแล้วเนาะส่วนนามมารูปก็คือสิ่งที่จิตมันปรุงแต่งมันสร้างรูปขึ้นมาเช่นเห็นผีเห็นคนนั้นคนนี้ ตอนที่เราไม่ได้หูไม่ได้เอาตาไปมองหรือเอาหูไปฟังเนี่ยก็มีบ่อยๆเราอยู่บ้านแต่ก็มันสร้างเรื่องมันปรุงขึ้นมาเป็นนามรูปเนาะคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้โอ้สารพัดแล้วก็พวกนี้ยก็เป็นสิ่งเกิดดับหมดเลยมันแล้วก็มันมันผ้าผ้ามุ่งเขาเรียกว่ามันผ้ามัวมากมันไม่ชัดเจนเหมือนเหน็นด้วยทางตาทางอะไรพวกนี้หรอกเออพวกนั้นก็เลยเป็นสิ่งปรุงแต่งแล้วก็เกิดดับเกิดดับพอเห็นอย่างเนี้ยมันก็เข้าใจง่ายเลยว่าอ๋ออันนี้ก็เป็นสิ่งเกิดดับเกิดดับเกิดดับ ไม่ใช่ตัวตนอะไรนะไม่ควรยึดถือเพราะมันมันหมดแล้วอ่ะเกิดแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วดับเร็วด้วยเออนะเพราะงั้นนามรูปมันก็ดับเร็วอ่าทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงตรงไหน่ะประเด็นตรงไหนที่จะจะคุยกันเออที่พระอาจารย์ผมที่ว่าผมถามพอาจารย์เรื่องเรื่องนมมันทำให้ทำให้เกิดรูปครับที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้ก็เขาเข้าใจคเหมือนว่าเรา เราสมมุติว่าความกลัวอย่างกลัวผีนะครับอาจารย์ออืเราก็เราก็คิดไปเองนั้นนะครับทั้งที่ไม่เคยเห็นผีเลยครับอาจารย์ huh. แต่สมมติว่าเราไปดูหนังไงครับแม่นาคไงครับนะผมก็ไม่เคยเห็นแม่นาคเป็นผีแต่ว่าถ้าถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันคิดนะครับอาจารย์แล้วมันอยู่ในที่มืดไงครับมันก็จะมันโตมโนขึ้นมาเป็นนะที่อาจารย์พูดนะครับผม uh huh. ก็เลยเห็นเห็นตั ว, ตวตนั้นเ อ, อาะเพรามันเกิดปุ๊บเราก็เข้าไปสวมกับมันเลยสวมสวมกับมันเลยมันก็เลยเป็นความ มันก็เลยแบบว่าเป็นความเร่าครับอาจารย์เป็นความกลัวขึ้นมาครับหรือเราไม่ทันไม่เห็นว่าสิ่งทีนี้มันเกิดขึ้นมานะครับอาจารย์เช่นอาธิเช่นความชอบก็เหมือนกันนะอาจารย์สมมติว่าผมไปเห็นอะไรบางอย่างที่เราชอบเนี่ยพอเดินไปแต่ว่าเราถ้าเราไม่มีเราไม่ได้รู้มันเนี่ยครับอาจารย์มันก็จะเข้าไปสวมเป็นเราชอบอ๋อแต่พอเนี่ยครับพอเริ่มฝึกปฏิบัติเหมือนที่อาจารย์ว่าตัวรู้เนี่ยมันก็จะอ๋อมันมันชอบนะ เดีพระอาจารย์ก็บอกอ๋อแต่มันชอบก็คือมันก็ชอบของมันนะแบบเหมือนอาจารย์ก็ให้ให้ปล่อยทุกอย่างเนี่ยครับผมเริ่ ม, เ ร, มเริ่มมาเป็นอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับเกิดเหมือนว่าขับขับพระรอาจารย์ทีนี้กลับมาเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างครั้งเอาไว้คือถึงว่าหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยระหว่างคุยกันนี้เนาะมันก็มีหลวงพ่อคนหนึ่งแล้วก็มีโยมคือตัวเองอ่ะคนหนึ่งแล้วก็มันเห็นด้วยนะว่าอยู่ระยะห่างกันไกลมากเลยพวกเนี้ยตัวหลวงพ่อก็เป็น เป็นเป็นนา ม, มารูปใช่ไหมเป็นรูปที่เกิดจากนามแล้วก็ระยะทางอ่ะที่บอกว่ามันไกลกันอ่ะไอนี้ก็เป็นเป็นเครื่องหมายเหมือนกับว่ามันเป็นสั ญ, ญลักษณ์อะไรบางอย่างก็เป็นนามรูปเหมือนกันเพราะเป็นรูประยะไกลๆเห็นไหมแต่มันเป็นรูปที่เกิดจากการปรุงแต่งแล้วก็ไอตัวเองเนี่ยที่ไม่ได้มองเห็นด้วยตาใช่ไหมเห็นไหมมันก็เป็นนามรูปเหมือนกันนั่นอ่ะตัวเราอ่ะตัวเองอ่ะเข้าใจเนาะ มันเป็นเพราะว่าไม่ได้มองด้วยตาไงแต่มันเห็นเป็นเครื่องหมายเหมือนกันเป็นเครื่องหมายแบบว่าแหวมว่ามีอยู่อันนี้ก็เป็นนา ม, มาลูกแล้วโยมดูดีว่าตัว ต, วตนะมันมีอยู่จริงที่ไหนหรอมันเป็นแค่แบบเหมือนกับเออไอ้น้ำมันเบนซินหรืออะไรก็เรียก ว, ว่ามีราดเนาะที่เป็นวุบ ว, ว, ว, วั บ, บ, บวับเนาะมันไม่ได้เป็นตัวเราอยู่จริงแต่ด้วยความไม่เข้าใจตรงนี้ก็เลยไปยึดถือเป็นตัวเป็นตนว่ามีหลวงพ่อจริงๆแต่จริงมันเกิดจากจิตปรุงแต่ง มันปรุงแต่งให้เป็นนามเป็นรูปขึ้นมาแล้วก็ไอ้ตัวเราก็เหมือนกันเนี่ยมันไม่ได้เห็นด้วยตาแต่มันก็มันมีสัญญาจําได้เคยดูในกระจกไงแล้วก็มันก็ปุงแต่งขึ้นมามาเป็นรูป <utar> เราแต่จริงๆอ่ะมันก็คือความปรุงแต่งแบบรมๆแรงๆมากเลยอ่ะใช่ใช่ห้ตัวเราอยู่จริงทีนี้พอเห็นอย่างเนี้ยมันก็จะมีตัวสติตัวรู้ตัวเห็นเนาะรู้แล้วก็เห็นรูปเนี่ยมันมีสติไงเห็นอยนู่ไม่ว่าจะเป็นรูปภายนอกก็คือรูปนอกตัวเองอ่ะหรือว่ารูปภายในก็คือรูปตัวเองเนาะความคิดความรู้สึก มันก็เป็นความปรุงแต่งหมดเลยทีเนี้ยอย่างเนี้ยแล้วทําไมมันจึงได้ยึดถือกันนักกันหนาหรอเนาะใช่ไหมใช่แต่ทีนี้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยโธมันก็เป็นภาพมายาทั้งหมดเลยก็เข้าใจแล้วมันเกิดมาทั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นมันเป็นนามรูปแบบเนี้ยมันไม่ใช่ของจริงก็รู้อยู่เนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยรู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นนามรูปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ย แล้วยังหลงไปเยืะอีกว่าเป็นเราเหรอใช่งั้นก็เลิกเลิกเลิกเลิกเลิกตั้งแต่หน้านี้เออไม่เอามันแล้วมันเป็นแค่ภาพมายาเป็นผีเป็นผีหลอกผีผีตัวกลัวไม่ใช่ผีใครใช่ครับอาจารย์ผมอันนี้ผมแรกแกิด น, นะครับอาจารย์อาจจะไม่เกี่ยวกับตัวรู้เท่าไหร่เพราะว่าผมผมมีความทุกข์มากก่ก่อนในทั้ทงชีวิตคือมันมีความทุกข์เกิดกับเรื่องความรักครับรา <laughs> ปปอาจารย์แ้วผมไปฟังอาจารย์พูดเรื่องความรักเราคิดเองทั้งนั้นนะครับว่าสมมุติไม่ได้อยู่ด้วยกันเราก็ไปคิดว่าเขาไปนู่นไปนี่แล้วอาจารา ไมื่ไม่เป็นอย่างที่เราเราคิดไปแต่ตัวเราไปคิดมันเป็นความทุกข์พราะเราไปยึดมัน <S <S ผมเห็นเป็นกระบวนการที่พระอาจารย์บอกว่าเมื่อเมื่อรู้สึกตัวเมื่อไหร่เราก็จะรู้ทุกกระบวนการในความทุกข์ที่แบบในความเป็นเจ้าของหรืออะไรนะครับอาจารย์มันก็ลดลงเลยครับ <S <S <S ถึงว่าทุกวันนี้อาจจะยังมีกันอยู่ผมกับแฟนยังคบกันอยู่ <S <S แต่ว่าความรู้สึกตรงที่พระอาจารย์อธิบายแหละเหมือนเมื่อก่อนอาจจะเออไม่อยู่ด้วยการไปนู่นนั่นอาจจะนอนไม่หลับมีความเครียด แต่พอได้ฟังพระอาจารย์เตือเลยผมก็แบบว่าเห็นครับอาจารย์เห็นว่าอ๋อมันคิดเองมันปรุงแต่งเองทั้งนั้นเลยมันก็แบบเริ่มแบบว่าจับทางได้ครับอาจารย์ผมก็ฟังเนี่ยครับเหมือนฟังพระอาจารย์เมื่อก่อนหนูฟังพระอาจารย์เยอะครับอาจารย์บอกว่าจะมีพระองค์หนึ่งครับที่ว่าจะสึกไปแล้วก็ไปมีครอบครัวครับอาจารย์เทพเทศน่าจะช่วงก่อนออกออกพรรษาครับอาจารย์บอกว่าพิจารณาดีๆนะว่าชีวิตครอบครัวมันเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้ครับเนี่ยผมว่าดูแล้วเหมือนกับพระอาจารย์พูดเลยว่า แค่มันเห็นความยึดติดที่เราคิดไม่ว่าขนาดตัวเราเราก็ยังยึดติดเลยเนะครับ <S <S เราจะไปยึดติดกับใครมันก็ไม่ได้ทางนั้นแต่เมื่อก่อนของผมมันเป็นแค่ความคิดครับอาจารย์มันไม่เห็นเลยครับ<ม>แต่แตพอเขาะะจะอธิบายเนี่ยมันเห็นคพราะว่าหูที่เราเสียใจมันเป็นสามปีห้าปีไปเดินจงกลมแก้กรรมอะไรผมก็ทํามาเยอะครับอาจารย์สรุปแล้วไม่ไม่ไม่มีผลครับแต่จนมาเห็นตัวรู้ท่อาจารย์ูดเนี่ยครับผมไปหลายที่นะครับอาจารย์นี่ผมแรกเป็นประสบการณ์ครับ เขาให้เปิดกรรมบ้างอันนี้ประสบการณ์ตรงผมนะครับเผื่อคนอื่นครับให้เราไปอยู่ที่วัดนั่นสิบห้าวันเดินจงกรมไปแก้กรรมส่งบุญให้เขาอะไรครับแต่ก็ไม่ได้ว่านะครับแต่ น, นี้เป็นประสบการณ์ตัวผมครับไ ม, ไม่ได้ว่าคนอื่ น, นครับ mm hmm. คือสุดท้ายเดินออกมาออกจากวัดปุ๊บมาที่สิบหกเอ้ามันก็กลับไปทุกเหมือนเดิมเพราะฉะเอ้าไม่เห็นว่ากรรมมันจะหายไปตรงไหนเลย mm hmm. อะไรครับกวดนะกวดให้แล้วแน่อะไรครับ mm hmm. แต่พอพระอาจารย์อธิบายว่ามันต้องเข้าใจแบบนี้เข้าคําว่าเข้าใจถูก มันถึงจะคลี่คลายปมในใจแล้วอาจารย์แล้วก็เราก็ทำครับผมก็ทำผมเลยศรัทธาผมพูดตรงๆครับผมศรัทธาวิธีการที่อาจารย์สอนเพราะว่าผมทํามาหมดผมก็ทุกข์ครับอาจารย์ซึ่งมาเนี่ยครับชีวิตเพิ่งเข้าใจว่าโอ๋สิ่งสิ่งสิ่งสิ่งนี้เนี่ยไม่ว่าผมท่องปฏิจจสมุปบาทเท่าไหร่นะครับอาจารย์หรือว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีผมก็ท่องหมดอาจารย์พูดถวัตเจนะแล้วผมก็ฟังหมด แต่เวลาทุกมาผมนะครับผมเลยศรัทธาที่บางทีห้องคนเยอะผมก็เกรงใจอาจารย์สวัสดีวันนี้โชคดีนะครับว่าอาจารย์ซึ่งมาเราไ ม, ไม่ไม่ค่อยมีคนถามคก็ขอบขอบคุณเพื่อนร่วมห้องนะครับที่ให้ให้สละเวลาให้ผมมาเป็นได้ถามครับอาจารย์ครับทีนี้นะหลวงพ่อก็มาตอกย้ําในเรื่องตัวเราตัวเองอีกว่าเมื่อเข้าใจเรื่องนามรูปแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็มีแค่นามรูปทั้งหมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยการที่เราไม่ได้ใช้ตาดูเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ด้วยใจหมดเลยรู้ด้วยสตินี่นแหละแล้วก็จะเห็นเลยว่าไอาสิ่งถูกรู้เนี่ยเป็นความแปรปวนนะไม่ว่าจะเป็นความสุขไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายว่ามีตัวเราไอเครื่องหมายเนี่ยมันก็เป็นนิมิตเป็นนามรูปใช่ไหมแล้วก็มันนามรูปเนี่ยก็รู้แจ้งได้อยู่แล้วเนี่ย ว, ว่า like, มันเป็นเหมือนพยักแดดอ่ะมันบวับแว่วับบแอย่างเงี้ยแล้วก็มันไม่ได้รู้ๆๆอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเพราะว่ามันวับบแวมาบางทีมันไม่รู้หรอกเออเห็นไหมมันหมดไปอ่ะเพราะว่ามันหมดไปแล้วก็ จะดูอีกก็เห็นอีกเอาเห็นอีกมันก็เป็นวับวับเบลเเพราะฉ ะ, ะนั้นตัวเราไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นแค่ภาพมายาทั้งหมดทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้นะถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยมันเป็นอุปมันเป็นขันธ์หน้าเนาะมันเป็นรูปนามเป็นนามรูปทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยไม่อุปาทานไม่ยึดถือเพราะฉะนั้นเราก็ศรัทธานในพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเอออย่าหลงยึดถือนะให้มันมีอยู่ของมันอย่างนั้นแหละมันก็แควบวัวับเบล ก็ให้มีอยู hmm. aw, so them, mm ่อ hmm. ย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปอะไรกับมันเนาะได้แต่รู้มันเมื่อรู้มันอย่างนี้แล้วก็ไม่ยึดถือเมื่อไม่ยึดถือแล้วกับวางพอวางไอ้ตัวนี้หมดแล้วเนี่ยตัวอื่นไม่ต้องไปฝึกวางเลยไม่ต้องเลยเพราะวางไอ้ตรงนี้หมดแล้วเมื่อตัวเนี้ยหมดความเป็นเรามันหมดแล้วเนี่ยไอ้ของของเรามันก็หมดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดก็เรียกว่าถอนรากถอนโคนก็คือต้องถอนตรงนี้อย่าไปถอนตรงอื่นนะวิธีปล่อยวางก็คือเนี่ย ปล่อยวางที่ตัวเราเนี่ยที่เรียกว่าไอตัวเราเนี่ยปล่อยวางตรงนี้คือถอนรากถอนโคนคือไม่ยึดเมื่อไม่ยึดก็ตัวเราไม่มีเมื่อตัวรถตัวเราไม่มีของของเราก็ย่อมไม่มีไอ้นี้คือเป็นธรรมะสูงสุดแต่ทีนี้เราก็เมื่อเข้าใจธรรมะขั้นสูงสุดเสร็จแล้วเอ้าเราก็ถอยมาเป็นสมมุติถอยมาเป็นสมมุติก็คือเป็นสมมุติมีตัวเรามีตัวเขามีตัวลูกมีตัวภรรยาแต่ด้วยปัญญาลึกๆมันรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นภาพลวงตาทั้งหมดยึดถือไม่ได้ เพราะฉะนั้นให้อยู่ร่วมกันรับผิดชอบด้วยกันแต่ไม่ได้ยึดถือเพราะครับมันเป็นของมายาหมดเลยอ่ะเออเนี่ยก็เรียกว่าพอเข้าปฏิบัติธรรมถึงขั้นที่รู้แจ้งแล้วสุดท้ายก็ถอยมาอยู่กับสมมุติแต่ธรรมมันไม่ได้หายไปไหนหรอกใช่ไหมเพราะมันได้เรียนรู้จนกระทั่งเข้าใจแล้วก็อยู่แบบเขาเรียกว่าสูงสุดสูสามันก็คือกลับมาทํางานร่วมกันแต่ไม่ได้ยึดถือสิ่งใดแล้วครับมันก็เลยครับ โอสิ่งสิ่งนี้เป็นเนี่ยผมผมยังสับสนว่าอ๋อแล้วเราจะอยู่ยังไงเมื่อไม่มีอ๋อแต่เราก็ยังทําสมมติมันก็ยังใช้สมมุติอาจารย์ที่รักอ่าเนี่ยแหละครับขอบคุณนะครับอาจารย์ที่เมตตาเพราะว่าเนี่ยครับบางทีนะครับอาจารย์ทุกคนรู้ว่าต้องปล่อยวางครับแต่ถ้าไม่เห็นตรงนี้มันไม่รู้จะปล่อยอยังไงไม่ไม่รู้จะปล่อยตรงไหนครับอันนี้คุณเองครับ<ช>ทุกคนรู้ว่าเออเรารู้แล้วว่าคําสอนพุทธองค์เราเกิดมาได้เจอโชคดีคดผมก็อู้กว่าจะเข้าใจ เอาไปผมจะเอาไปฝึกปฏิบัติก่อนนะครับอาจารย์ครับแวันมีความก้าหน้ายังไงผมจะคุยกับอาจารย์ครับแต่ตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวกระชากนิดหนึ่งคาว่าผมจะไปปฏิบัตินะเปลี่ยนได้ทันทีนะว่าออแท้จริงอันแท้จริงตัวกูไม่ได้มีแต่พอเฟลมันเป็นบีออกมาได้ได้ครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ที่เมตตาครับเออนะตรงนี้แหละอปิดท้ายรายการเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะพลาดกันแหละ เราจะไปปฏิบัติเราจะไปก็เมื่อกี้คุยเรื่องความไม่มีตัวเราเนาะเพราะงั้นมันไม่มีเราปฏิบัติแต่กิริยาท่าทางอ่ะมันก็ยังมีแหละจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปนั่งปิดตาจะนั่งยกมือมันก็มีเหมือนเดิมแต่อันนนครับฐานปรุงแต่งเออไม่ใช่เราหรอกครับอาจารย์ขอบคุณมากครับที่เมตตาของครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ